พยาามให้โอกาสกับตัวเองให้มากนะอย่าทำลายโอกาสของตัวเองนะใครก็ตามยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็อย่าทาลายโอกาสเรื่องภาวนาะของตัวเองเนี่ยอย่าทิ้งความสำรวมระมัดระวังมวัวแต่ประมาทมวัวแต่มักง่ายมวัวแตเลิเล่อมวัวแต่มองนู้นมองนีจงนน้จ้องนู่นจ้องนี้ทำลายโอกาสกับตัวเองรูผลที่มันจะพึงได้นะได้อะไรบ้างไม่วิ่งคว้าเอาอะไร ความเพียรทำให้ต่อเนื่องอย่าปล่อยจะอยู่ตรงนี้จะเดินไปไหนจะทำอะไรความเพียรให้กำหนดจดจ่ออยู่กับตัวเองอย่าทำลายโอกาสของตัวเองนะอย่าทอดทิ้งตัวเองอย่าทำลายตัวเองดูวันวันหนึ่งเรามาสรุปแล้วเราได้อะไรบ้างในรอบวันแต่ละวันแต่ละวัน่ะเรามาสรุปแล้วเราได้อะไรบ้างเราได้ความตั้ง อ, อกตั้งใจมากน้อยแค่ไหนให้ความพนุจดจอ่อความภาคความเพียรให้กับตัวเองเท่าไหร่เพอร์เวอร์ ที่นู่นที่นี่ดูนู้นดูนี้เพลินกับสิ่งนู้นสิ่งนี้เปแล้วแล้วมานั่งสรุปได้อะไรบ้างแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันอะเวลาเรามียเต็มที่โอกาสเรามีเต็มที่เราต้องเอาเราต้องทําเอาเราต้องตั้งใจทําเอาไม่มีใครทําโอกาสให้กับเราได้นอกจากเราทําโอกาสให้กับตัวเราเองดูอะไรดูในรอาวันเนี่ยเรามาุพแล้วนั่งมา นั่งสรุปแล้วได้อะไรในรอบวันแต่ละวันแต่ละวันอะไรคือสาระที่เราควรจะเอาอะไรคือไม่ใช่สาระที่เราควรเราควรจะทอดทิ้งดูให้ออกมันไม่มีอะไรเกินกำหนดจดจอตั้งใจภาวนาใ น, ในใจิตในใจของเราดกอกเพลินไปกับอันนู้นเพลินไปกับอันนี้ดูให้มันชัดว่า ม, มันได้อะไรถ้าเราสรุปสํารวมสรุปอยู่อย่างนี้ตลอดเราจะเสียดายเวลาเวล า, เวลาที่เราทิ้งไป แต่ถ้าเราตั้งใจตลอดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนความภาคความเพียรเราติดอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเรามาสรุปแล้วเราชื่นใจเราไม่ปล่อยปลันละวางหน้าที่ของตัวเองถึงแม้จะมีธนรปตรปังอย่างอื่นเราไม่ทอดทิ้งเอาภาระอย่างอื่นเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องซ้อมเป็นเครื่องฝึกสติเป็นเครื่องฝึกความอุตสาหพยายามเป็นความบึกบืนไป ที่เกียจลุกก็ลุกที่เกียดยืนก็ยืนที่เกียดเดินก็เดินขี่เกียดไปก็ไปขี้เกียจอยู่ก็อยู่พื้นมันตลอดมันไม่มีใครช่วยเราได้งานนี้เป็นงานทดสอบสติปัญญากำลังความสามารถของตัวเองเราจะเลวเละตุ่มเป๊ะขนาดไหนเราก็ดูของเราเองเราจะแข็งแกร่งเราตั้งตัวเราได้ขนาดไหนตอนไหน ใครจะรู้ได้ถ้าเรารู้ไม่ได้ในตัวเราในใจของเราใครจะให้คะแนนเราได้ถ้าเราไม่ให้คะแนนกับตัวเราเองใครจะตัดคะแนนเราได้ถ้าเราไม่ตั้งใจตัดคะแนนของเราเองสิ่งที่ไม่เป็นสาระนั้นนั้ตัดคะแนนสิ่งที่เป็นสาระให้คะแนนกับตัวเองให้กำลังใจกับตัวเองให้โอกาสกับตัวเองเต็มที่ ตั้งใจทําเอามีปัญหาอะไรพูดคุยกันบอกกันเราอยู่ด้วยกันให้มันเกิดประโยชน์ให้มันได้ประโยชน์เกี่ยวข้องกันให้มันได้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้เกลียบเนาทิฏฐิมานะอมัยใช้ไม่เกิดประโยชน์ไราสาระไร้สาระความเป็นมนุษย์ไร้สาระไรสาระความเป็นสมณะศากยบุตรซึ่งเป็นเป็นบุคคลที่ควรจะทําสาระ ตรงนี้ให้กับตัวเองสาระดูไปที่ไหนดูมาที่ใจย้อนมาที่ใจกําหนดมาที่ใจพิจารณาไปที่ใจอะไรคือสาระควรยึดเอาควรถือเอาอะไรไม่ใช่สาระไม่ควรยึดเอาถือเอาต้องเป็นตัวของตัวเองคัดสรรเลือกสรรเอาด้วยตัวของตัวเองคือซิปก็ทราบบอกสอนตัวเองเป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวเองจิตปัญญาเป็นพี่เลี้ยง ความอุตสาหพยายามความหมั่นขยันหมั่นเพียรประคับประคองไปความอดความทนเป็นพื้นให้เราเหยียบทำงานเข้าไปความอดความทนต้องเป็นพื้นให้เราเหยียบเข้าไปทนดูทนฟังทนพิจารณาทนกำหนดจดจ่อทนสารวมระมัดระวังทนอดทนหิวทนอดทนต่อการที่มันพาเราเผลอเลย เพลิดเพลินไปตามเรื่องตามโลกตามสงสารเรารู้ตัวไม่ได้ถ้าเราไม่นั่งมานั่งสรุปดูว่าเราได้อะไรบ้างเราจะรู้ตัวเราไม่ได้สาระที่จะเข้าสู่จิตใจของเราแต่ละแต่ละวันแต่ละวันเราได้อะไรบ้างสรุปทุกระยะทุกเวลาน่ะตั้งใจสรุป ต, ร ต, ต, รตั้งใจสํารัสตรวจตราตั้งใจสอดส่องตัวเองดูตัวของตัวเองไม่งั้นจมจมไปเรื่อยจิตมันไม่ตื่น มันไม่ตื่นเนะื้อตื่นตัวกับความเป็นอยู่มันปล่อยให้กิริยาอาการของกิเลส ด, ดึงไปหมดกิริยาชอบใจกิริยาไม่ชอบใจดูมันเกิดที่ใจดูดูมันดูมันให้ออกกิริยาที่ชอบใจสาระหรือไม่ใช่สาระกิริยาที่ไม่ชอบใจที่มันแสดงออกมาดูให้ชัดเจนสาระหรือไม่ใช่สาระควรถือเอาหรือไม่ควรถือเอา เป็นการสํารวจตรวจตราให้กับตัวเองตลอดถ้าเราเป็นหลักให้กับตัวเราเองได้เอาสติเอาปัญญาเอาสติทำเอาสัมปชัญญะทำนั่นแหละเป็นหลักให้กับตัวเองได้ความหมัน่นความขยันความมุ่สาพยายามข้อปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังเรารู้มาตลอดแต่เราทําความบกพร่องให้กับตัวเองก็ให้เรารู้เราจะได้มาตำมิติเตียนตัวเอง เรืจน่นจะได้มาสั่งสอนตัวเองจะได้มาตักเตือนตัวเองชำระขัดเกลาให้กับตัวเองพยายามตะเกียบตะกายแวกสิ่งล น, นี้ออกให้ได้มาสรุปแต่ละวันแต่ละวันมาสรุปว่าเราได้อะไรบ้างอยู่ลอยๆนับวันนับคืนนะนับเดือนนับปีได้อะไรร่างกายจิตใจนิ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไพ่มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีดจิตใจ ร่างกายย้ห้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมันก็อยู่ขนาดนี้แหละดูแลประคับประคองมันพออยู่ได้เท่านั้นแหละแต่จิตจะให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีถ้ามันแก่ก็ให้มันแกไ่ไปไปในไปในทางดีแก่ไปทางสติแก่สัมปชัญญะแกะ่ปัญญาแก่แก่กล้าความเพียรแก่กล้าความอดความทนแก่กล้า รวมมาที่ใจใจมันแก่กล้ารวมมาที่ใจใจมันแข็งแข็งกล้าอย่าลืมใจทําอะไรสักตัวตรววนเวียนพันหลักอยู่กับใจนี่ไม่ไงั้นมันดับมันหลับมันไม่ตื่นหลับกับโลภหลับกับโกรธนั่นแหละหลับกับหลงเพลินไปกับอารมณ์ในโลกนี่เพลินดูนู่นเพลินดูนี้เพลินเห็นคนนู้นคนนี้เห่เพลินเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้เพลินคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ เลินนึกถึงเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เลิอนเอาจิตส่งไปนู้นส่งไปนี่เราไม่ดูมันก็ไม่ทั น, นเลินบางอย่างดึงไปเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นสาระกลับมาก็ได้ประโยชน์ให้รู้เลินไปดึงในสิ่งที่ไม่ใช่สาระมาทาลายตัวเองให้รู้วันคืนล่วงไปอย่าทำลายตัวเองสร้างโอกาสให้กับตัวเองอย่าทำลายโอกาสของตัวเอง ในโลกนี้มันไม่มีอะไรมีสาระเท่ากับข้อปฏิบัติที่เราตั้งใจทาสัตรวมมาที่จิตนั่นแหละให้จิตมีที่ยึดมีที่เกาะให้มีเกาะเป็นที่กำบังมรสุมะนะมรสุมกามชันทะพยาบาทซึ่งเป็นอารมณ์ที่มายุแยก่กอควรจิตให้ร้ายแตกเนี่ย เดือดร้อนทันทีแหละถ้าปล่อยมันมายุเย็นเดือดร้อนไปตามมันทันทีถ้าเราไม่ทันมันถ้าเราไม่สงบใจไปจากสิ่งเหล่านั้นนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นที่สงบเพราะฉะนั้นสมาธิคือความสงบนจึงเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นที่เกาะเป็นที่กําบังของจิตได้เป็นอย่างดีสละอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้หมดให้สงบไม่ให้มันเข้ามายุแย็ได้ ทำให้ฝึกไม่อยู่มันไม่อยู่หรอกยิ่งนั่งคิดยืนคิดเดินคิดเดินปรุงแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ได้ยังไงมันทำงานตรงกันข้ามแทนที่เราจะจับด้ามฟันเนี่ยเรากลับไปจับมีดฟันเนี่ยไม่ว่าเราจจับผิดเราก็ใจผิด เราตั้งใจภาวนาเพื่อเอาท ร, ร ม, มาเป็นคู่มือนในการปราบกิเลสนิวรณธรรมแต่ในขณะเดียวกันน่ะไปจับนิวรณธรรมมามาทำงานและเข้าใจว่าเราทำงานนี้ผิดทาไปเท่าไหร่ันยิ่งผิดเปลาไปมากเท่า น, นั้นดูให้ดีดูให้ละเอียดดูให้ชัดถูกหรือไม่ถูกได้สาระเข้าสู่จิตใจหรือไม่ได้สาระ ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดเพื่อความยินดีวันนี้เป็น <|vi|>. ไม่ใช่ธรรมของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดเป็นไปเพื่อความยินดีไม่ใช่ธรรมะของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายจางต่อความกำหนัดต่อความยินดีเป็นธรรมะของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความปล่อยเพื่อความวาง จากการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานนี่เป็นธรรมะของพระศาสดาทำเราได้เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานอย่างเหนียวแน่นนี่ไม่ใช่ธรรมของพระศาสดาเราพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ธรรมเป็นกิเลสเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของสมุทยัยผูกมัดจิตใจของเราผลที่ตามมาคือทุกข์คือกองทุกข์ เราดูกองทุกข์ที่เรามาหลงในบ่วงของกองทุกข์นี่มันเท่าไหร่แค่ไหนแค่เราได้ชีวิตเกิดมาเนี่ยนี่คือบ่วงของมันนั่นแหละแค่เราได้ชีวิตเกิดมาเนี่ยคือบ่วงของมันแล้วเห็นไหมทุกตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ะทุกมาเรื่อยทุกมาเรื่อยๆความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้น่ะคือทุกทุกในหลักของอริยสัจเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยเปลี่ยนตัวเองมเรื่อยนี่คือกองทุกข์ ทุกเหล่านั้นเราไม่โดดไม่ดิน้นไม่รนไม่อะไรมันเป็นสภาวะทุกข์อแต่พอมันออกมาจากท้องแม่แล้วเนี่ยทุกต้องมาดิ้นมารนต้องมาสอกต้องมาแสวงให้มันหาให็ดฮามหาข้าวให้มันหาปลาให้หาข้าวหาน้ําหาหยุกหายาหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มหาอะไรต่ออะไรเพื่อประกบประงมมัน นี่คือกองทุกที่เราอยู่ในวงล้อมของของมั น, นวงล้อมของอะไรวงล้อมของสมุทยนั่นแหละตัวสมุทยัยตัวผูกตัวมัดนี่เป็นตัวทุกขกองทุกเหล่านี้ทุกคนดิ้นเราวๆๆเราเราแค่เราหลงอยู่ในกงรงไข่ของมันเท่านั้นดิ้นออกเท่าไหร่ก็ดิ้นออกไม่ได้ดิ้นออกไม่ถูกยิ่งแก้ท ะ, ะ้งยิ่มัดตัวเอง พยายามศึกษาพยายามพิจารณาดูให้เห็นค่อยเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางค้วยเกิดการบันเทาจากการยินดีจากการยินร้ายความยินดีก็ทำให้เรายินดีเป็นกล่าวเป็นครั้งเป็นคราวสักหน่อยหนึ่งความทุกข์ก็ตามมาความยินดีหนึ่งเปอร์เซ็นความทุกข์ตามมา เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นมันตามมาเป็นผลตามมาความยินดีเป็นกรงข่ายของมันที่มันดักล้อมให้เราหลงเพลินไปกับมันแป๊บเดียวทําให้เราต้องหลวมกิริยาอาการรู้อํานาจกับมันให้แป๊บเดียวทําให้เราผูกมัดเราได้ชีวิตนี้ทั้งชีวิตอดิ้นโดดโลดเต้นพเพื่อจะหลุดออกจากมันนยา ก, ยากแสนยาก นี่คือความทุกข์ทรมานที่เราไม่ค่อยจะมองกันในเมื่อเราไม่มองนอกจากไม่มองแล้วมันก็สร้างเหตุสร้างผลเพื่อมัดตัวเราให้เราเพลินหลงอยู่กับมันรู้ทันไม่รู้ทันมันทําเราได้เป็นไปเพื่อความยินดีทําเราได้เป็นไปเพื่อความกําหนัดไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยของพระาศาสดาอันนี้เป็นหลัก ดูไปที่ไหนดูไปที่ใจเนาะใจเจ้าของอทําเราได้เป็นไปเพื่อความยึดยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ความยึดมั่นถือมั่นในธรรมมันก็เป็นการยึดมั่นถือมั่นอย่างละเอียดเป็นการถือเอาอย่างละเอียดรู้ตัวไม่ได้รู้ตัวได้ยาก หลงเพลินเกาะติดยึดอยู่นั่นแหะสาคัญมั่นหมายตัวเองอยู่นั่นนี่ก็เป็นธรรมที่ละเอียดละเอียดลึกเข้าไปไม่ใช่ธรรมของพระศ า, ศาสดาธรรมะถ้าปฏิบัติได้หากได้ก็คือได้หากมีก็คือมีไม่อยู่ในการยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือได้มีก็คือมีเป็นก็คือเป็นปราศจากการยึดเกาะ ติดเหนียวแน่นผูกพันหึงหวงทะนุถนอมปลอมกลาวประครบประงมจิตระเสรีไม่ต้องไม่ต้องเป็นภาระกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยสำเร็จรูปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากเป็นไปเพื่อยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน แม้แต่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมนี่ก็เป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมแล้วไม่ใช่ธรรมะของพระศาสดาแล้วมันเป็นกวนอุบายมายาอย่างละเอียดของกิเลสที่มีอยู่ในใจซึ่งเรายังเปิดไปยังไม่เห็นหน้ามันมันมีคนมีอุบายพลิกเท่ากับพลิกเส้นผมภูเขาเส้นผมเส้นเดียวแหละบางภูเขาสิ่งเหล่านั้นน่ะ ยิ่งใหญ่ ย, ย, ยิ่งกว่าภูเขาแต่สิ่งที่บงังหูบังตาบังสติปัญญาลราแค่ฉากเดียวแค่พลิบตาเดียวถึงกระนั้นก็ตามเราก็ยังพลิกออกได้ยากรู้ได้ยากเข้าใจได้ยากให้เราจำไว้เป็นหลักว่าทมเราไดเป็นไปเพื่อยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานไม่ปล่อยปละละว่างทำเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมะกรัศาสดา พูดให้มันชัดให้มันย่อลงไปไม่ใช่ทำแต่ยังเป็นกิเลสอยู่นะเข้าใจทำเราได้ที่เป็นกำลังที่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นได้โดยทำโดยทางดำเนินนี่เราก็ต้องยึดเราไม่ยึดไม่ได้พอถึงที่สุดจริงๆแล้วทางดำเนินต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องปล่อยหมด เวลาเข้าถึงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือหมดหมดสภาพไปโดยอัตโนมัติตราบใดที่เรายังยึดอยู่เป็นข้อปฏิบัติอยู่เราก็ต้องยึดเราไม่ยึดไม่ได้พวามอุตสาหพยายามความขยันมันเพียนความกําหนดจดจอ่อความรู้ว่าปัญหามีอยู่ที่จิตของเราต้องพยายามขบพยายามจอบพยายามขัดเครีย า, ยามเกาพยายามเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ ว, เ ป, ลวเปิดดูสิ่งที่มันติดมันค้าง มันคล้องอยู่ในหัวใจธรรมะอยู่ในภายในเป็นไปเพื่อความกำหนัดเพื่อความยินดีดูให้ออกความยินดีนะดูไปที่ใจเวลามันยินดีเต็มที่ยิมยินดีรุนแรงเราดูไปชัดอ้อนี่คือความยินดีจากที่มันรุนแรงที่สุดก็ดูละเอียดลงไปละเอียดลงไปเอ๊ยอยังมีความยินดีเข้ามาเกี่ยวข้องเปล่าดูไปให้ละเอียด มันละเอียดมากสิ่งเหล่านี้เราพยายามหัดพิจารณาพยายามหัดดูมันเป็นการหัดสร้างนิสัยที่ละเอียดให้กับตัวเองละเอียดที่จิตนะนละเอียดเข้าไปข้างในลึกเข้าไปข้างในทายังยินดีอยู่มันก็ยังมีความความหนักอยู่เมื่อยังมีความความหนัดอยู่มันก็ยังมีความยินดีอยู่ถ้าสติสัมภายนยะเด่นชัดขึ้นมา อชัดเจนแจ่มแจ้งสิ่งเหล่านี้มันก็จางไปตราบใดที่สติปัญญาอที่ยังละเอียดไม่พอสิ่งเหล่านี้มันก็แทรกเข้ามามันซึมเข้ามามันซับเข้ามาทั้งที่เราคิดว่าเราอยู่รู้อยู่ทั้งที่เราคิดว่าเราจ้องอยู่มันก็ซึบซึมเข้ามาซึมซับเข้ามาในหัวใจมันละเอียดดูใหดี พยามพิจารณาเป็นการสร้างนิสัยที่ละเอียดให้กับตัวเองมันเป็นเรื่องของความสงบก็ตามมันเป็นเรื่องของการพิจารณาเข้าไปลึกๆในหัวใจก็ตามพยายามดูยามทำโอกาสยามสร้างอุปสรพยายามให้กับตัวเองดูสาระที่เราจะพึงได้เ้าได้อะไรบ้างเราจะรู้ตัวต่อเมื่อเรามานั่งสรุปดูว่าเราได้อะไรบ้าง ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปสามสิบนาทีผ่านไปชั่วโมงหนึ่งผ่านไปครึ่งวันผ่านไปหนึ่งวันผ่านไปหนึ่งคืนผ่านไปสัปดาห์ผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปเราได้อะไรบ้างถลุงเวลาไปหมดมากมายสักเท่าไหร่ต้องมาคำนึงคำนวณมาคิดบัญชีกันแหละ ไม่งั้นเราไม่ทันมันแหละมันแอบตีข้างหลังเราเสียว เ, วเวลาไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทำให้เราจะทันมันเราจะต้องระมัดระวงังต้องอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทะรุระปะฟังเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่ปล่อยปละละวางความมุสาพยายามตั้ง อ, อกตั้งใจสํารวมระมัดระวงังศรษสกิจฐานี่ก็สํารวมระมัดระวงังทิ้งไม่ได้ เพราะนี้เป็นกรอบเป็นรั้วรอบเป็นกรอบขอบชีดข้างนอกกันเราไม่ให้มันตกไปแต่ถ้าตกไปขั้นสินนี่หยาบมากอืถ้าความอยากของเราเนี่ยล่วงละเมิดสินไปเนี่ยถือว่ายาบมากถือว่าแหวกรั้วแหกข้อว่างั้นเถอะจิตใจมันแหกข้อมันแหวกรั้วมันแหกข้อ ทำลายกรอบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางกรอบเอาไว้พระพที่จะต้อนเราให้ไปสู่ธรรมนั่นแหละมันไม่ไปแนี่ไอ้ตรงที่เป็นธรรมธรรมอยู่ข้างในมันไม่ไปมันแวกออกข้างๆเน่ยพัทงทลายรั้วเข้าไปดูรายละเอียดทามันแหวกข้อคือทําลายศีล น, นี่นะว่าแย่มากยากมากเรามีติจตีรายละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปข้างในที่ใจ ในตัวความละเอียดที่มันคอยแทรกเข้ามาที่จิตตัวความอยากเป็นเหตุให้เกิดตันหาราคาที่มันเป็นส่วนละเอียดภายในจิต ด, ดูให้ออกมันแสดงกิริยาเลียนชัดมาแต่ละครั้งจับมันไว้ให้ดีอ๋ อ, อย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, าง น, างนี้เป็นอย่างนี้อ๋อย่างนีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดูมันให้ดีกำหนดจดจ่อมันให้ดีในขณะที่เรารู้สึกรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวมันก็ยุบย่อลงไป ในขณะที่เรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวมันก็ยุบย่อลงไปถ้าเราปล่อยให้มันแสดงกิริยาการโดดโล ด, ดเต้นเต็มที่ความทุกข์ตามมารู้รู้ว่าทุกข์ไหมในขณะนั้นรู้ว่าทุกข์ไหมต้องดูให้ออกว่ารู้ว่านี่แหละคือทุกข์คือกองทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราดูไม่ออกก็หมายความว่ามันปิดมันบังเราแล้ ว, ลวเราก็จับกองทุกขนะ์น่ะเพลินไปบนกองทุกข์ไม่รู้จัก เพลิดเพลินไปบนกองทุกนะเพลิดเพลินไปบนกองคืนบนกองไฟไม่รู้สึกไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวต้องดึงจิตเข้าหาหลักสติธรรมปัญญาธรรมความยินดีความเพลินใจความเพลิเลเลลเรรด เ, เพลินสิ่งเหล่านี้เป็นไม่ใช่ธรรมะของพระศาสดาเราปฏิบัติธรรมเพื่อชาระสิ่งเหล่านี้ต่างหากไม่ใช่เราปฏิบัติเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ วิธีการใดอุบายใดที่จะทําให้เราชําระสิ่งเหล่านี้ไปได้กําหนดจดจ่อมาที่จิตใช้สติใช้สัมผัสัญญะหมุนรอบให้จัดให้เขี่ยวให้จัดจนเป็นเกิดจนให้มันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาให้มันสว่างโรคเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาพื้นๆธรรมดาเป็นปัญญาญานขึ้นมา มันละเอียดจนเกิดผลแปลกปรลาดอศิจันเข้าไปข้างในวันคืนร่วงไปร่วงไปสลังคานก็ร่วงไ ป, ล, งไปล่วงไปอายุการก็ร่วงไปร่วงไปร่างกายของเราเป็นสิ่งไม่แน่นอนเก็ียบใครได้ป่วยออเราเลยแดดช่วงไหนเวลาไหนระยะไหนที่เราสุขสบายที่สุดให้โอกาสกับตัวเองให้มากที่สุดอยากทำลายโอกาสของตัวเอง อย่าทอดทิ้งภาระของตัวเองทำไมเราจะทันมันต้องเอาทุกยืนทุกเดินทุกนั่งทุกนอนทำอะไรก็ไม่ปล่อยละละวางมันไม่ลืมเนะื้อลืมตัว ล, นะลืมตั ว, ล, วมมนนลืมเนะื้อลืมตัวเมื่อไหร่เราก็จมเมื่อนั้นลืมเนื้อลืมตัวเมื่อไหร่มันก็สวมรอยเมื่อนั้นมันก็แทกเมื่อนั้นความทุกข์เข้ามาเสริมทันทีต้องระวางัง ความสงบเป็นวิหารธรรมที่เราควรฝึกให้ได้มันไม่กำหนดจมลงมิดดิ่งหายเงียบไปก็าตามให้มันอยู่ในความอุตสาหพยายามทำสติมันต่อเนื่องทาสัมปชัญญาย้มันต่อเนื่องสัมปชัญญายาทอดทิ้งรู้ตัวว่าเราสงบหรือไม่สงบตัวนี้สำคัญนะ ตัวสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาที่คอยประคองตัวสติเป็นตัวจุดประกายยับยับยับตัวปัญญาคือสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวประคองไปเราจะเทียบกับเหมือนกับไฟเช็กนั่นแหละเช็กสติจุดขึ้นมาแหละแช็กมีประกายไฟขึ้นมาแล้วอ่ามันไปติดอะไรอ่ะมันไปติดแก๊สกลายเป็นเปลวขึ้นมาเนะ่เหมือนกับสัมปชัญญะเช็กสัมปชัญญะประคองมา ให้ความรู้มันร่เหมือนกับไฟที่มันติดไปแชกที่แก๊สนั่นแหละที่หัวไปแชกนั่นแ่ะไปก็เอาไปใส่เอาไปใส่ไส้ตะเกียงเอาไปใส่ไส้เทียนมันก็ติดให้มันติดมั่นคงถาวร อ, อยู่อย่างนั้นนี่เราฟังเป็นอุปมาทําสติของเราให้ให้ให้ต่อเนื่องธรรมสัญญาของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจน ตัวนี้เราจะเป็นที่พื้นของเราได้เอาอะไรทําเอาจิตแต่ลรรมเอาความสาพยาแ ย, ยามแหลรตั้งเอาไว้ประครับประคองเอาไว้เอาความอดความทนเป็นพื้นเหมือนกับพื้นกระดานฉล า, าเนี่ยเพื่อรองรับงานของเราถ้าพื้นไม่ดีความอดไม่ดีจิตใจเปราะจิตใจสาะ เดินยกยๆกยกัยกยักยังไม่ถึงหนึ่งรอบเลยคิดแล้วคิดไปไหนก็ไม่รู้อดทนที่จะตั้งใจเดินก็ไม่มีนั่งปุ๊บเดียวยังไม่ถึงห้านาทีกระสรับกระาแล้วพลิก <c oughs> ไปนุ่นไปนี่ดิ้นรนไปนุ่นไปนี้ความอดความทนที่จะตั้งใจประคับประคองอยู่มันไม่มีแล้งานที่ไหนมันจะมาตอ่อเนื่อง มันจะทำให้เราได้ผลธรรมะที่จะเกิดผลในใจนั้นจะต้องคู่ควรกันเหตุกับผลจะต้องคู่ควรกันเราถามหาแต่เหตุเราควรมองเราถามหาแต่ผลเราควรมองเหตุเราบ้างเราทำเหตุมากน้อยแค่ไหนขนาดไหนเพียงไรดูตัวเองถามตัวเองทำให้กับตัวเอง้ามรตลอด กิเลสภายในใจเครียดให้กับมันตลอดอะ่ะตั้งมันเป็นคู่ต่อสู้ตลอดตั้งมันเป็นคู่ต่อสู้ตลอดยบขึ้นมายินดีไหมยับขึ้นม า, ย, นม ย, นมายินร้ายไหมดูขึ้นมาให้ดีให้คะแนนให้กับตัวเองทุกขณะจิตอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่ทันมันดอกไม่ทันมันมันเพลินไปบนกองทุกนั่นแหละทุ ก, ก็คือเพลินไปบนเหตุ เหตุแล้วมันดึงไปดึงไปกับเหตุที่ทําให้เราประสบความทุกข์กองทุกเนะี่ยดึงไปหาบ่วงหาตาข่ายหากรงขังหาวงล้อมของมันอนะ่ะมันดึงไปแล้วมันไปขังเอาไว้ไปไหนไม่ได้ดอกอยู่ในกรงของมันนะ่ะกรงของทุกขกรงขังของทุกขเพราะอะไรเพราะเราหลงเหตุของมันละเหตุตัณหา ดูไปให้ชัดเจนน่ความอยากในใจอ่ะดูมันดิ้นออกดูอย่างอื่นไม่เห็นดอกมันไม่มีตัวมีตนให้เราดูดอกอดูไปความอยากที่จิตความอยากที่กายมันไม่มีมันมีความอยากที่จิตตัณหาความทยานอยากดูให้ออกมันออกไปจากจิตมันไม่ออกไปจากกายกายไม่รู้เรื่องอะไรดอก กายหิวเพราะมีจิตถึงรู้ว่ากายหิวกายอิ่มก็เพราะมีจิตถึงรู้ว่ากายอิ่มกายเจ็บกายปวดก็เพราะมีจิตถึงรู้ว่ากายเจ็บกายปวดกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะมีจิตถึงรู้ว่ากายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นความละเอียดมันไปอยู่ที่จิตแต่ในขณะที่เราจิตมาดูกาย มาพิจารณากายมันก็มันก็เป็นการเอาของละเอียดมาพิจารณาของหยาบพิจารณาของหยาบแล้ก็เทียบเข้าไปที <t un>? ่ของละเอียดที่มันเอาไปอมแปรอยู่ในจิตนั่นแหะพิจารณาในจิตแล้วก็ดูมาที่ของหยาบซึ่งมันอมแปรเข้าไปที่จิตเนี่ยเราพิจารณาอยู่อย่างนี้มันก็มันมันก็ทําให้เราเนี่ยทั่วถึงกันทั้งของหยาบทั้งของละเอียด ในขณะที่เราตั้งใจกำหนดจดจ่อพิจารณาของหยาบมันก็เอาของละเอียดมาทํางานมันก็ไม่เสียไปอะไรไปที่ไหนมันเป็นการกําหนดดูทุกกองทุกที่หยาบร่างกายนี้เป็นกองทุกที่หยาบกองทุกขคือกิเลสที่ละเอียดมันมีอยู่ในจิตอ่ามันก็อมจับของหยาบมันแหละมันอมเข้าไปอยู่ในจิตดูดิดูดิดูว่ามันชัดมันอมจับของหยาบหยาบ ตายนี่แหละมันอมเข้าไปอยู่ในจิตมันยินดีมันพอใจถามมันว่ายินดีอะไรพอใจถามมันว่ามันพอใจอะไรถามไปแล้วเราจะเห็นว่าอะไรที่มันยินดีอะไรที่มันพอใจเห็นไม่งั้นเราเพลินเพลินหลงมันปิดบังเราหมดอะไอควัน ของความรุ่มหลงเนี่ยมันปิดบังเราหมดไม่ให้เราเห็นอะไรดอกมันมีความตัวเพลินนี่แหละเป็นตัวเป็นตัวไอเป็นตัวควันปิดบงังเราไม่ให้เราเห็นเพลินไปเขาเรียกหลงเพลินเพล่อเพลินไปกัมันไม่รู้เรื่องทำไมเราจะรู้ทันกำหนดจดจ่อมาที่จิตของเราพยายามตั้งสติกำหนดจดจอ่อพยายามกำหนดให้เกิดความสงบมีสมาธิพยายามรักษาจิตพยายามสร้าง จิตให้เกิดความสงบพยายามสร้าง ส, สติให้เกิดขึ้นมีขึ้นกำกับจิตตลอดจนเป็นอาจินจนมันแนบแน่นอยู่ที่จิตจนเป็นจนจิตมีพื้นมีฐานคือสติคือสามพยัญญะกำกับเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐา น, เ ป, นเป็นรกเป็นราอยู่กับจิตกำกับอยู่กับจิตตลอดมันถึงจะทันมันไม่งั้นไม่ทันมันดูให้ละเอียด ทุกวันนี้เลิกเท่าไหร่แล้วเ่ที่หกเลิกหรือยังอย่นี้หมอเขาใ้ยาท่าสิบาสิาเลิกแล้วยบคาก็นี่แหละยาสิบาแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ก็บวชหนาคนะสองมาช่วยดูช่วยจัดช่วยทำกันพวกเราเป็นเจ้าภาพเอาบุญด้วยกันเสร็จแล้วหมอเขานัดมาทำอะไรให้ด้วยนะวันนี้นะ ใครมีปัญหาเรื่องฟันเรื่องอะไรได้ดูมันจะเป็นเรื่องฟันเกี่ยวกับฟันหรือเปล่าอย่างที่ท่านบอกกับผมเกี่ยวกับฟันเขาพูดยานอุดหรือใครจะอุดใครจะขูดใครจะอะไรยังไงก็มาดูมาทําแต่ย้า้มันเป็นการตกแต่งเป็นการเสริมสวยฟันไม่ได้นะะถ้าใครมีปัญหาเรื่องฟันฟันผุฟันหลอฟันเจ็บฟันอะไรนี่เราก็ทํา แต่ถ้าใครฟันอยู่สุขสบายแล้วมาเสริมสวยฟันนี่ก็ดูอีกฮะดูให้ดีเถอะนี่งานการเหล่านี้มันสิ่งเหล่านี้มันจะคอยแทรกมาทุกอย่างทุกระยะปล่อยไม่ได้ดอกต้องระมัดระวังตลอดแหละรักษาเนื้อรักษาตัวตลอดระมัดระวังตลอดอย่าปล่อยยืนเดินนั่งนอนมีสาระปาปังอะไรก็อย่าปล่อยดูให้มีฉลาด มันเป็นการศึกษาทุกระยะทุกขณะของจิตนั่นแหละลอยไม่ได้ไทยมีอะไรเขามีอะไรก็มาช่วยดูในใบนิมนต์เขาเขามีเขาว่าอะไรทั้งห้าหกเจ็ดชั่วโมงแล้วก็มาคิดเราโอ๊ยมันจะมาทําอะไรทั้งห้าชั่วโมงมาดูดูถามถามมีอะไรไม่มีอะไรเราก็เสร็จเรียบร้อยล้วก็เลิกให้เขากลับไปในเมื่อมันไม่มีธละประฟังไม่มีงานการทำเขาจะมาตั้ง ทำอะไรพวกเรารีบออกมาให้ก็ดูให้ให้ก็ตรวจให้ก็อะไรให้เสร็จนะถ้าใครจะทํารีบออกมาทำแต่งานก็เริ่มได้หลังจากเราบวชนั่นแหละเพราะเราต้องเอาบวชให้เสร็จก่อนบวชให้เสร็จแล้วใครจะทํามีอะไรจะทีบทําอะไรก็รีบมาให้เขาได้ทํานะอย่าไปปล่อยให้ต้องได้คอยคนนั้นคอยคนนี้ใครมีปัญหาเรื่องเหล่านี้ก็ให้รีบบอกมา